บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธรชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงเรื่องมัทิชิยซึ่งเป็นมูลรากของกิเลสมาโดยดําดับได้ทรงแสดงโดยสรุปว่ามาวิชานั้นก็คือความไม่รู้ในอริยสัจทั้งสี่ประการ ได้ได้พูดมาถึงความไม่รู้ในมรรคสัตว์ทำให้มรรคนั้นมีอยู่สองมรรคมรรคหนึ่งท่านเรียกว่าสมาัมมามรรคคือทางดำเนินไปในทางที่ชอบเกิดมาจากพื้นฐานความเห็นที่เป็นสมาธิฐิหรือปัญญ า, รารหรือญาณหรือวิชาอีกสายหนึ่งท่านเรียกว่ามิจฉามรรคหรือว่าทางผิด เกิดขึ้นมาจากอาวิชาปุกโมหะทั้งหลายเปราะ้ึสังเกตว่าอาการที่ส่งแสดงไว้ในส่วนที่เป็นการกระทำทางกายก็ได้แก่ได้แก่การฆ่าสัการถือสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ดยการแย่งขโมยและการรับผิดผิดในการมนั้นเป็นการกระทำที่นําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและนําความเดือดร้อนมาสู่บุคคลอื่น ทางจะประสบผลที่เกิดขึ้นจากบาปรกรรมเหล่านั้นในขณะนั้นนั้นและในขณะต่อต่อไปตลอดถึงชาติต่อต่อไปโดยพื้นฐานสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั้นรักชีวิตถนอมชีวิตพยายามที่จะดำเนินชีวิตไปให้เกิดความสวัสดีแก่ตัวเอง สิ่งที่คนได้ร้องต้องการก็คือความสุขความสงบความเยือกเย็นความไม่มีเวรไม่ภยัยไกลไกลๆแต่ว่าการกระทําเหล่านั้นเป็นการสร้างเวรสร้างภายัยสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์สร้างความไม่สงบให้เกิดขึ้นแก่ตนปัญ ม, มิจฉากัรมันตะคือการทําการงานในทางที่ผิด พูดง่ายๆที่จริงก็คือการประพฤติผิดจึงเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าปานะะเป็นข้อปฏิบัติระดับสีนั้นป็นสังเกตว่าจะทรงสอนในรูปให้บุคคลเกิดความสำรวมระวังเพื่ออะไรเพื่อจะงดเว้นการทำลายชีวิต การร่วงละเมิดสิทธิในทางทรัพย์สินและในทางคู่ครองแต่เอาจริงก็ไม่จะทำได้ง่ายเพราะฉะจะพูดถึงบาปรกรรมที่หนักลดหลั่นกันลงมาโดยลำดับอย่างน้อยที่สุดก็อย่าถึงกับทำอะไรที่แรงเกินไปเพิ่งสังเกตว่าการฆ่าสัตว์บางชนิดหรือฆ่าทำลายสิ่งมีชีวิตบางชนิดนั้นปาามาก แต่จะบัญญัติไว้ในศีลมันก็ไม่ได้ก็ทรงแสดงในรูปของธรรมะเอาไว้นั่นคือข้อประดุจที่เรียกว่าอนันตริกรรมสีข้อแรกนั้นเป็นการฆ่าสิ่งมีชีวิตแต่เป็นผู้ที่มีคุณมากเป็นบุปการีบุคคลต่อตอนเองและต่อโลกมันเป็นส่วนรวมนั่นคือการฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระหา์ทำรายพระพุทธเจา้า ก็สงสอนให้ตรหนักวันนี้เป็นบาปหนักที่จะมวยผลเป็นความทุกข์ทรมานในขณะนั้นๆขณะต่อๆไปและจะตกนรกหมกไหมอยู่ตลอดกาลอันยาวนานก็เป็นการชี้แจงแสดงเหตุผลให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นคนส่วนมากจะมีความรู้ความเข้าใจในระดับนี้คือยอมรับได้ในระดับนี้ เพราะพฤติกรรมแนวอนันตเดรร a m จึงมีอยู่น้อยทยุกยุคทุกสมัยในสมัยพุทธกาลก็มีคนทำไม่กี่คนในสมัยต่อมาเราก็ไม่คอพบข่าวคราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าบุปการีของตัวเองแม้จะมีอยู่บ้างก็ไม่มากก็แสดงว่าอาวิชาระดับมืดบอดในชั้นนี้แล้วก็ถูกขจัดรงไปได้มากกว่าสมควร ในการต่อมาก็พูดถึงการฆ่าคนที่มีคุณจะเว้นสี่ประเภทดังที่กล่าวแล้วคนที่มีคุณสัตว์ที่มีคุณหรือว่าสัตว์ใหญ่ใหญ่แต่ก็เป็นการแสดงในรูปของธรรมะอีกประการกระทําที่เรียกว่าเป็นบาปมากหรือบาปน้อยนั้นในกรณีของการฆ่าสัตว์ก็จะกําหนดด้วยตัวสัตว์เหล่านั้นมีคุณมากหรือมีคุณน้อย เจตนาในการฆ่านั้นแรงหรือไม่แรงความพยายามมากหรือไม่มากพึงสังเกตว่าตัวเจตนาเป็นตัวใหญ่เพราะถ้าหากว่าเจตนาไม่แรงจริงมันก็ฆ่าคนที่มีคุณไม่ได้หรือสัตว์ที่มีคุณไม่ได้ถ้าครบทั้งสามประการคือสัตว์นั้นมีคุณมากและเจตนาก็แรง กำปเจตนารแรงหมายความว่าในขณะฆ่าไปนั้นมีโลภจัดโกรธจัดหลงจัดซึ่งอาจจะโลภหลงจัดหรือโกรธหลงจัดหรือว่าหลงจัดก็แล้วแต่ว่าจิตในขณะนั้นถูกปรุงด้วยกิเลสข้อใดจะสรุปว่าต้องแรงถ้าไม่แรงก็ทำไม่ได้และบาปก็จะแรงตามไป พอพูดกันถึงระดับนั้นหมายความว่าคนเกิดความยอมรับเข้าใจไปความสำนึกคุณจะต้องสนับสนุนด้วยธรรมะข้ออื่นเช่นความกตัญญูกะตะเวทีความอดกลัน้นความอดทนเมตตากรุณาเป็นต้นถึงถ้าหากใจห ย, ยาบขนาดนี้ที่จริงธรรมะเหล่านั้นก็มีไม่มากมันก็สอนลดหลั่นกันลงมาจนถึงกษัตริย์ใหญ่แล้วก็วาดเรื่อยไปจนถึงกษัตริย์เล็ก ไปรวมด้วยคำว่าปานะรือสิ่งที่มีลมหายใจเข้าออกเราจะพูดในจุดนี้เลยไปจนถึงการตัดการทําลายต้นไม้ข้อ น, นี้ท่านาชนพึงสังเกตว่าการตัดต้นไม้ของพระกับการฆ่าสัตว์ของชาวบ้านนั้นมีค่าเท่ากันและพระเองถ้าตัดต้นไม้หรือทําสัตว์ให้ตายก็ต้องอบัตเท่ากัน เป็นคำสอนที่รับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิตเหล่าอื่นแม้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้คือต้นไม้และกลายเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติไปโดยไม่ต้องบอกว่ามีการอนุรักษ์ก็แสดงว่าคนเราถ้าลึกซึ้งลงไปขนาดนี้อวิชชามันก็จางลงไปเรื่อยพฤติกรรมที่แสดงออกเกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับผู่ครองของบุคคลอื่น ก็จะมีการสํารวมระวังคนบางครั้งจึงส่งสอนไปในระดับของการสํารวมระวังโดยไม่ไปย่อยข้อเหล่านั้นออกไปเป็นอันมากการที่พูดเพียงสามข้อคล้ายๆจะมีน้อยแต่ข้อนี้ผพิสังเกตว่าแม้เราจะขยายไปเท่าไรก็ตามมันไปนเชื่อมโยงกับชีวิตเชื่อมโยงกับทรัพย์เชื่อมโยงกับคู่ครองเป็นการสอนระดับหยาบไปก่อน คนศีลจึงมีระดับหยาบระดับกลางระดับประณีตก็แสดงว่าอาวิชาก็ต้องลดลงไปอวิชามากก็แก้ด้วยศีลระดับหยาบอาวิชารองลงมาก็แก้ด้วยศีลระดับกลางอาวิชาาที่ละเอียดลงไปก็แก้ด้วยศีลระดับที่ละเอียดแต่ถ้าใจยังหยาบ มันก็ศีลละเอียดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้คือไปพูดอะไรเขาไม่ได้ทํานองอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้เห็นว่าแล้วก็เหมือนกับเราเอาไม้มาทําเฟอร์นิเจอร์เด่นเด่อยู่กับสภาพของไม้ว่าสภาพของไม้เวลานั้นมันเป็นอะไรแล้วก็ปรับเครื่องมือในการใช้ทํางานที่เกี่ยวกับไม้ท่อด น, นั้นให้เหมาะสมกัน แต่เครื่องมือเครื่องใช้มันแตกออกไปเช่นวม่าม้ยังเป็นซุงอยู่เราเอากบออกกระดาษทรายเข้าไปใช้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรศีลธรรมที่ทรงแสดงมีลักษณะอย่างนัน้เป็นการเหมาะสมสอดคล้องก็บพื้นเพ ข, ของคนที่สามารถประพฤติปฏิบัติได้ในกรณีนั้นๆผลศีลทั้งห้าประการที่ทรงวางไว้เป็นฐานการปฏิบัติของบสุกบาสิกานั้น ก็มาอยู่ในอริมัคคีองแปดประการก็เรียกว่าเป็นสมากัมันตะท่านเคยแปลมาจนคุ้นหูไปแล้วว่าการทำการงานชอบแต่พูดในภาษาปัจจุบันก็คือการประพฤติชอบหมายความว่าจิตใจมีความสารวมระวังไม่ลุ่มเมื่อต่อสิทธิทั้งสามประการดังกล่าว เราจะเห็นอาการของปัญญาปรากฏภายในจิตอย่างน้อยเป็นระดับความคิดอุปมาเทียบเคียงที่สำนวนไทยจะใช้คำว่าใจเขาใจเราปัญญาตรงนี้ก็ขจัดอวิชชาคือความมืดปอดได้ลดลงไปมองเห็นโทษที่เกิดขึ้นจากการไม่สำรวจระวังในชีวิตในทรัพย์สินในผูกครองของบุคคลอื่น มองเห็นคุณที่เกิดขึ้นจากการรับาดระหวังการสำรวมถ้าหากว่าทำไม่ได้บันก็ปิดกระแสเวรกระแสภยัยกระแสอันตรายไว้สมัครตัวเองมันไม่ใช่เรื่องถึงมรรคผลนิพพานอะไรหรอกแต่ว่าเป็นเรื่องศีลธรรมจัญยาแสดงว่าอาวิชชาได้ถูกลดความรุนแรงลงไปแล้วเป็นอันมาแต่จะพูดถึงสถานที่ต่างๆก็คือว่า แสงสว่างแม้จะไม่ชัดเจนแม้จะไม่สว่างมากแต่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้พอสมควรอาจจะสดุดอาจจะสะดุดอะไรไปบ้างก็ไม่ถึงก็เป็นภัยเป็นอันตรายอะไรทไรั้งหลาในมิจฉาวาจาเองก็แสดงให้เห็นถึงอาการของอวิชชาอยู่มิจฉาวาจาคือวาจาผิดหรือการพูดผิด เป็นการทำลายประโยชน์ของตนเองและประโยชน์บุคคลอื่นเพราะสูตรการปฏิบัติจะมีลักษณะแย่งกันควนี้ท่านสาธนรณชนคงนึกได้ว่าที่พระเจ้าทรงสแสดงในอวาตาปฏิโมกข์นั้นถือว่าเป็นเป็นคำสอนหลักเป็นอุดมการเป็นหลักการเป็นวิธีการในพุทธศาสนาเน้นไปส่วนของเน้นไปที่ส่วนของกุศลในธรรม ของการแสดงออกของคนในทางที่ชอบจิกกวดนั้นก็คือไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายก็เท่านั้นเองการไม่กล่าวร้ายไม่ทำลายนั้นที่จริงเป็นการพูดระดับศีลซึ่งหมายความพูดระดับอริยมรรคอริยมรรกระดับศีลนั้นไม่ใช่พูดถึงการปฏิบัติแต่พูดถึงการงดเว้นเอาขนาดงดเว้นได้ได้ไปก่อน คืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดถอดเยษงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเจ้่อเรื่อยๆในอะเรมาส่งเพิ่มขึ้นเป็นสีข้อแต่ในสีหน้าสรงชชยเป็นข้อเดียวคือมุสาวาทท่นนี้ถ้ากล่าวโดยภาคของการปฏิบัติ เราก็จะพบความจริงว่าการพูดสอดเสียดหรือการดุยงเกิดความแตกแยกนั้นที่จริงก็คือเท็ตอีกวิธีหนึ่ง<ม>การพูดคําหยาบคําด่าทั้งหลายเป็นสังเกตว่ามันจะเกิดจริงแต่ใครก็ตามจะเป็นคําพูดที่เกิดจริงเกินจริงก็คือไม่จริงไม่จริงก็คือโกหกก็เป็นคำเท็ตอีกวิธีหนึ่ง<ม><ม>คำเพ้อเจอเ้อเล็วๆมันก็มีลักษณะอย่างนั้นส่วนมากแล้วเป็นเรื่องไร้สาระแก่นสารก็คือไม่จริง ไห้จริงก็คือเท็จพลตะโกนรักษาศีลห้าข้อที่สี่ได้เรียบร้อยมันก็กลายเป็นอริยมรรคในส่วนของสัมมาวาจจาะคือวาจาที่สอบแต่ในมิจฉาพักนั้นจะเน้นไปที่ตัวมิจฉาวจจาคือพูดและผิดคำพูดเท็จพูดโสเสีพพูดคำหยาพูดเหล่าในั้นเป็นการพูดผิดเป็นการพูดในลักษณะที่ปาขุนทวนลม คุก็ใส่หน้าตัวเองหรือครบเพลงเทือนทวนลมตัวเองก็ร้อนทั้งมือทั้งหน้าหรือว่าถมน้ํำลายรถฟ้าน้ําลายก็ใส่หน้าตัวเองบางทีทรงแสดงไว้แรงๆว่าเป็นโอทภัยคือปาดเป็นตัวนํำภัยนําอันตรายมาสู่มันก็ขัดแย้งกับพื้นฐานที่กล่าวไว้ในตอนต้นคือ คนเรานั้นรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีทุกคนรักชีวิตถนอมชีวิตเพราะอะไรก็ตามที่มีการรักการทนุถนอมวงแขนนั้นจะต้องมีการดูแลรักษาป้องกันไว้เป็นอย่างดีไม่เกิดภัยไม่เกิดอันตรายแต่ว่าคนที่พูดว่ารักตนถนอมตนปรารถนาความสุขความเจริญแก่ตนก็กลับสร้างเหตุให้ตนเองประสบความาทุขความทุกขเดือดร้อน นันจะเห็นว่าก็เป็นการหลงทางใกล้ๆกับมันมืดตัวเองก็เดินหลงเข้าไปในที่มืดอาการที่เดินไปมันก็สเปสะสปะไปเรื่อยๆผิดๆถูกๆอันตรายมีรอยขีดรอยควน ร, รอยแผลจำนวนมากมายแก่กองเพราะนั้นตรงนี้ถ้าหากว่ายังงดเวทไม่ได้คือลดอวิชชาลงไปไม่ได้ การพูดในแนววิจิทุจิตมันก็เกิดขึ้นเวลาพระเจ้าสอนก็จะสอนในแนวที่เรียกว่าค่อยๆขัดเกลากคือค่อยๆเพิ่มวิ ช, ชาขึ้นไปไม่ใช่เด้งนิ่งสว่างโพงคนสว่างโพรงมันก็มีได้แต่ว่าคนต้องมีวาสนาบารมีมากคือเทสไม่กี่ครั้งไม่กี่คำคนนี้ก็บรรุนปรนเป็นพระรยะบุงคนไปแล้วมันก็จบสิ้นกันคือเลิกพูดเรื่องการงดเว้นบาปเพราะมันไม่มีบาปให้งดเว้น คนส่วนใหญ่จะต้องพูดในแนวของการขัดเกลาเรื่อยๆไปแต่นั้นเราจึงเห็นคําพูดแม้ในระดับเดียวกันเนี่ยจะมีโทษที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกันเช่นพระเองมุสาวาทก็ว่าไปละว่าไปหลายแห่งแต่มุสาวาทที่แรงมากแล้วก็เป็นภัยเป็นอันตรายต่อาศาสนาต่อตนเองต่อสังคมโดยรวมแล้วก็เป็นโมดกบาป ที่คนรุ่นหลังนั้นจะมารับรู้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เกิดความเห็นวิพริษออกไปนั่นก็คือการพูดอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีอยู่ในตนเป็นการแสดงให้คนอื่นเข้าใจว่าตนเป็นคนมีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่พูดออกไปหรือว่าแสดงโดยประยายอย่างไงก็ตามแล้วถามมันเกิดขึ้นมาจากอะไร เราจะเห็นอาการมืดบอดตรงนี้มันเกิดขึ้นมาจากอาวิชชาในการกระทําเช่นนั้นก็ทำโดยความโลภที่มีความหลงคุ้มห่อจิตใจอยู่มากต้องการได้แต่ความเคารพนับถือศรัทธาจากบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบไม่ควรไม่คํานึงถึงบาปบุญกุลโทษอะไรไม่คํานึงถึงมิตรการได้เพียงแต่คิดได้ แ, นะแต่นั่นเองเราจะเห็นว่าอาการมืดบอด ขาดความรับผิดชอบต่อตนเองต่อบุคคลอื่นต่อศีลธรรมต่อสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่วิชามันก็เข้มขน้นเหรา ะ, ะ น, นถ้าขัดเกลาตรงนี้ได้โทษตรงนี้ในพระวินัยทรงบัญญัตไว้เป็นประหลาดชิคือขาดแต่ความเป็นพระไปเลยแต่ยังมุสาวาจยังอยู่ในที่อื่นอีกอย่างในกรณีของชาวบ้านก็เป็นเช่นเดียวกัน อาอจจะมุสาวาดบ้างแต่ทำยังไงอย่าเป็นพยานโกงอย่ากล่าวร้ายอยา่าป้ายสีบุคคลอื่นอย่ากล่าวหาบุคคลอื่นในทางที่ไม่ชอบไม่ควรก็ขอแค่อย่าเป็นพยานโกงในคดีในโรงในศาลเป็นการใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นสร้างความมิจฉาเนื้อร้อนให้บุคคลอื่นได้ไดก่อนแล้วก็ปรับขึ้นไปเรื่อยๆคือลดการโกหก การพูดเท็จลงไปเรื่อย que. มีผลในการทำลายน้อยลงไปโดยลำดับก็ยังถือว่าเป็นการพูดเท็จจนกลายเป็นคำสัตย์คำจริงในที่สุดแต่นั้นก็หมายความมาก็ขัดเกลากันไปเรื่อยๆเราจึงเห็นอีกฟากหนึ่งว่าว่าจจยังเรียบร้อยลงไปทไรายแสดงว่าใจก็สว่างเพิ่มขึ้นเท่านั้น การนั่งใจสว่างเพิ่มขึ้นก็หมายความอวิชาเีวา่วกับพื้นปอกเกลดลงไปทําให้การอัดทำอะไรการพูดอะไรออกไปด้วยอํานาจของความโลภความโกรธความดุมมันก็ลดตามลงไปศัจจาวาจา ก, ก็จะมีเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ปกติอย่างน้อยในที่สุดคือคือสถานาการณ์ปกติก็รักษาตัวสมาวาจามันได้แล้วก็ ก, การพลิกเป็นการพลิกผันตัวเองมาจากฝากของ มิฉามั้นก็มาอยู่ในทางสมามามกเกิดยิงทางเหล่านี้ว่าเคียงคู่ขนานกันไปปัญห า, าว่าใครจะไปในทางใดตะนั้นเดชมาอยู่ที่จิตซึ่งมีปัญญาหรือว่ามีอวิชชาหรือมีวิชาหรือมีอวิชาถ้าจิตจะมีวิชามันก็ออกมาโดยในญาตอย่างกล่าลวแล้วเป็นรูกของทจริตถ้าจิตมันมีวิชาอยู่ในระดับพอสมควร ล้วก็นำตัวเองเข้ามาสู่ทางที่เรียกว่าเป็นสัมมามักเสริมสร้างความสวัสดีให้แก่ตนได้เพิ่มขึ้นธรรมะปฏิบัติแนวนี้เราจะเห็นถึงอาการของกิเลสที่มันลดลงไปเช่นว่าการเริ่มมาจากเราจะเห็นอาการของกิเลสในกรณีที่เป็นมิจฉามทิมิจฉาวาจาริอสเกตว่าการพูดเทศ ลองดูพูดเทศนันพูดพูดด้วยอำนาจของอะไรแน่นอนที่สุดคือไม่รู้ว่าบุญคุณโทษนั้นเป็นฐานก็แสดงไม่พิชาเป็นฐานแต่การพูดเทศออกมาจากกระละิกกิเลสหลายประเภทตัวนใหญ่จะออกมาจากความโลภเราเห็นว่าการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การเฉิมฉวนชักชว น, ชวนด้วยวิธีการต่างๆลบน้าจิตใจของบุคคลอื่นเห็นตามคล้อยตามข้อเสนอของตัวเอง จะถามว่าทไปทำอะไรก็ต้องได้ต้องการได้ประโยชน์จากการโฆษณาประชาสัมพันธ์เหล่านั้นเรามองดูสังคมไทยเราปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปรวดเร็วมากมีบริษัทโฆษณาที่ลงทุนไปแล้วก็ได้กำไยปีหนึ่งเป็นพันนล้านทำโฆษณาดโดยประโยคสั้นๆโดยภาพเล็กๆใช้เวลาเป็นไม่ถึงนาทีส0สิบวินาทีหสิบวินาที มีการลงทุนมากมีการคิดค้นมากแลวทำไปแล้วผลประโยชน์มันก็ตกแก่เจ้าของโฆษณาก็ตกอยู่ในสินค้านั้นๆคนที่ทำโฆษณาเก็ได้ประโยชน์จำนวนมากแต่ถ้าเรามองวิเคราะห์ถึงสารัะถึงเนื้อหาแล้วก็จะพบว่าไม่ใช่ความจริงมีการเสริมความขยายออกไปเป็นจานวนมากเรี้ยพูดอะไรเกินจริงไป แต่วิธีการนําเสนอทําให้คนเห็นตามคล้อยตามก็ไหลไปตามกระแสะของการโฆษณาประชาสัมพันธ์เ่านั้นเพราะการการการกระทําเหล่านี้จึงเกิดขึ้นด้วยความโลภความหลงโดยไม่คํานึงว่ามุสาวาทนั้นจะงวงเหนี่ยวตัวเองไปสู่อบายได้ไปสู่นรกได้เพราะาโบราณ ท, ท่านสอนเอาไว้ ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางใจของบุคคลผู้รองตนร่วมกับสังคมนั้นใา้ระมัดระวังในเรื่องของวาจาคนอย่างน้อยก็สี่ประเภทที่เราจะเห็นว่าพูดด้วยอํานาจของโลกพระพูดด้วยอำนาจของราคะพูดด้วยอํานาจของโมหะนั่นคืออะไรคือ พ, พ่อค้าที่โฆษณาขายสินค้าตัวเองโดยในย่าที่กล่าวแล้วเป็นอาการความโลภหลงที่ชัดเจนมาก ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งดีอดไม่ได้ที่จะเทียบเคียงตัวเองในแนวยกตนข่มคนอื่นยกย่องสินค้าของตัวเองข่มของคนอื่นไปโดยไปในที่แม้จะไม่จะแจ้งกระตักแลย่งนอาการกิเลสว่ามีโลภะมีโมหะมีแข่งดีมีริษยามีสณีปะปนอยู่ในกลุ่มของกิเลสเหล่านั้นแล้วก็ออกมาในรูปของคำพูด ในคำพูดโซเสียลบางทีจะมีลักษณะเช่นเดียวกันโซเซีย so หรือการยุยงในคนก็เกิดความแตกแยกกันทะเลาะ ก, การวิวาดกันทำลายล้างกันถามว่าพูดไปทำอะไรอะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดการพูดเช่นนั้นอวิชชานั้นจะเป็นฐานอยู่แน่นอนสแสดงคนเหล่านี้ไม่รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไล้ไม่ใช่ประโยชน์ว่าการกระทาบาปนั้นบาปจะติดตามเราไปเหมือนเงาที่ติดตามเราไปทุกคนตกแห่ง แล้วก็มีอานาจอิทธิพลในกนําหนดวิถีชีวิตของคนได้ทําไปเอเส่งแสดงว่าสัตว์โลกนั้นเป็นไปตามกรรมบุคคลที่ทําบาปเอาไว้จะเดือดร้อนทั้งในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจะเดือดร้อนจะเดือดร้อ น, นโลกทั้งสองเรามองเห็นว่าตัวได้ทําบาปเอาไว้ตรงนี้ที่จริงก็มีการนําเสนอแล้วคนเหล่านี้ที่จริงก็เคยอ่านเคยได้ยินได้ฟังข้อความเหล่านั้นเพียงแต่ว่า ความรุนแรงของกิเลส ท, ที่ถูกปลุกเร้าขึ้นมานะั้นมันมีกําลังมากมากจนตัวเองไม่สามารถต้านทานได้แล้วต้านทานไม่ได้ก็พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขคนอื่นก็เห็นว่าทำมาด้วยความสุดบริสุทธิ์ใจและสุจริตใจที่จริงแล้วก็ไปการทําของกลุ่มผลประโยชน์ที่ต้องการได้ผลประโยชน์จากการกระทราําเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของกลุ่ม เราจึงเห็นว่าบริษัททั้งหลายนั้นจะมีการกําหนดเป้าของกันใต้กําไรเอาไว้แต่ละปีนั้นสูงเหลือเกินที่จริงเป้าเหล่านั้นมันก็ลมๆเฉยๆเป็นการกําหนดขึ้นด้วยความโลภความหลงของตัวเองโดยไม่คานึงถึงความเดือดร้อนของผู้บริโภคเพราะอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการของความหลง เราแสดงว่าการพูดเทด็จก็ดีการพูดสอดเสียกด็ดีอาจจะเกิดขึ้นในความโลภ ก, ก็ได้ต้องการผลประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากการพูดคําในลักษณะนั้นจะตามความขั้งนี้บอกขัน้นโน้นน้ำความในขัน้นโน้นจะบอกข้นนี้ก็กินทั้งสองทางหาประโยชน์จากบุคคลทั้งสองฝ่ายได้คนทั้งสองฝ่ายนั้นเสียทั้งสุขภาพจิตเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งมิมตรไมตรีที่คนจะมีต่อกัน ในสูตรก็อาจจะทะเลาะวิวาทได้เขียนค่าทําหลายล้างกันโดยไม่รู้ที่ไปที่มาได้นําไปว่ามีมีที่เวีงคนบอกเท่านั้นเองจุดนี้เราจึงเห็นว่าเป็นจุดอ่อนไหวหภายในใจของคนคนเป็นจานวนไม่น้อยที่คนมีใครก็ไม่รู้มาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือแม้แต่ข่าวคราวตำนานหนังสือพิมพ์ไปนําเสนออย่างนั้นเกี่ยวข้องกับคนที่ตัวรักเกี่ยวข้องกับสามีพัญญาของตัวเอง ในทางไม่ดีเราก็หลงเชื่อยอมรับไปเต็มที่ให้ความต้องการเก็บหนังสือพิมพ์คล้ายๆคำเพียนศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีใครสามารถละเมิดได้เราก็นำความรู้เรานั้นมาทะเลาะวิวาทสร้างความแตกแยกขึ้นไปในครอบครัวนี่คือจุดที่เราเห็นได้ชัดว่าคนเรานั้นมีความอ่อนไหวกับเสียงที่มีการนำมาบอกแม้แต่เสียงจากสื่อสารมวลชนต่างๆ ฟันคำพูดในแนวในแนวสอดเสียดจะเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องการได้ผลประโยชน์จากคนเหล่านั้นคนที่ตัวเองสอดเสียดจะได้จะต่อเนื่องกันมาบางทีเป็นเรื่องของความริษยาเห็นคนอื่นก็ได้ดีได้ดีก็นําอะไรต่างๆมาเสกสารปั้นแต่งขึ้นไปแล้วก็ไปยุให้เกิดความแตกแยกกันบางทีเป็นเรื่องของความแข็งดี บางทีเป็นเรื่องของความโกรธบางทีเป็นเรื่องของความคิดเบียดเบียนทํานองคล้ายๆกับที่เด็กให้เพื่อนเหยียบเงาหาว่าเหยียบเงาบ้างเอามดมาเด็ดก้นให้มันกัดกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเป็นความคิดในแนวเบียดเบียนคืหาความสนุกบนความทุกข์ของบุคคลคนนี้ลืมคิดไปว่านั่นคือบาปคือบาปกรรมอกุศลที่ตนจะต้องชดใช้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาเหล่านั้น แต่ก็ายังทำหมายความยังไงว่าความภายในใจนั้นมีอวิชชามากอาการกิเลส จ, จึงแรงขาดความรู้สึกเมตตาไมาตรีต่อคนทั้งหลายก็อยู่กันดีๆีไปยุก็ เ, เกิดความแตกแยกได้ซึ่งบางทีเป็นเรื่องของความเบียดเบียนก็เห็นความมันมันสะใจจะเห็นพฤติกรรมเหล่านั้นคนใหญ่ทะเลาะ ก, กันยุ่้เพื่อนทะเลาะ ก, กันอยู่ยชาวบ้านทะเลาะ ก, กันถึงสังเกตว่าเป็นการมุ่งความแตกแยกจึงเรียกว่าสอเสีย แต่การนำความครั้งนี้บอกขันโน้นนความขนนู้นบอกคันนี้บางทีนั้นเป็นการปรึกษาราชการเป็นการปรึกษาธรรมะเป็นการการทำงานประสานงาน ก, นกันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับตรงนี้วันวิชาวายาจึงเป็นอาการของอวิชชาที่สร้างกิเลสขึ้นอีกเป็นจำนวนมากก็อยู่ในกระบวนการโรคปดหลงริษยาอาฆาตแข็งดีดูมินทรณรนีอะไรตระหกะตามก็อยู่ในอาการความโรคปดลง คำหยาบเองก็มีลักษณะอย่างนั้นต้นแ้วแต่ก็สืบเนื่องมาจากอาวิชชาคนที่พูดคำหยาบนั้นอาจจะโกรธอาจจะเป็นนิสยัยอาจจะเกิดหมันไส้เกิดรทิ์ยาขึ้นมาให้พึงสังเกตว่าจะไม่มีการหวังดีปรารถนาดีตุกคนที่ตนพูดด้วยแล้วก็พูดถึง แต่คำหยาบบางอย่างนั้นเป็นการดุด่าตักเตือนตําหนิทุ่จริงทานองคล้ายๆการช่างเหล็กตีเหล็กมันยังมีอะไรอยู่เยอะก็ทุบแรงๆเผาเผาไฟร้อนมากๆก็ใช้ค้อนใหญ่หน่อยแล้วก็ทุบแรงๆเป็นการทําำในจิตตนาดีที่พุงให้เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าแก่เหล็กเ่านั้นมันสิ่งจรินี้ตรงต้องแยกให้ออกได้ว่าอาการตรงนี้มันมีพื้นฐานมาจากอะไรถ้าเกี่ยวกับคนหมายความอาวิชชานั้นมีความเบียดเบียน มีความอาฆาตพยาบาทเป็นฐานแต่ได้เกี่ยวกับคนแล้วแต่ถ้าออกมาในรูปของวิชามันก็มีเมตตากรุณาในเป็นฐานทำให้มองไปที่ผลประโยชน์ซึ่งบุคคลเหล่านั้นจะพึงได้จากการกระทำความตนเองจากการพูดของตัวเองเป็นประการํำกันซึ่งเราเห็นเป็นกระแสของกิเลสสองสายที่ออกมาเป็นรูปของพฤติกรรมต่าง ถึงทั้งหมดมันก็สืบเนื่องมาจากวิชากับอวิชาเป็นฐานำํำขัดต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบ ต, ต่อไป